อาจะนี้วันนี้ต่อจากเมื่อวานนี้ <c oughs> <c oughs> เลพูดถึงเรื่องของพระสูตรนิดหนึ่งคุณสมบัติข้อปฏิบัติก่อนเป็นพระสวาดบัตินะผู้ใดพึงสังเกตว่าศรัทธาศีลจาค้าปัญญาเนี่ยหรือศรัทธาศีลสุตตจาค้าปัญญาที่เป็นคุณสมบัติ บอกว่าผู้ใดไม่มีโสตาปฏิยังฆ่าธรรมก็หมายความว่าไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือไม่มีศีลที่พระอริยะชื่นชมรักไข่โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายของปุโุชนเป็นต้นอะเนี่ยนะก็คือถ้าผู้ใดไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาระและไม่มีปัญญา เนี่ยหลักการเหล่าเนี้ยผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายของบุตุชนพระเจ้ามหานามะถามบอกพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไร่บุคคลนั้ชื่อว่าเป็นอุบาสกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะการที่บุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาสนาถึงพระธรรมเป็นศาสนาถึงพระสงฆ์เป็นศาณะาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นอุบาสกแล้วผู้เขาไปนั่งใกล้พระราตนาไตร พระเจ้ามหานามะก็บอกว่าพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพระเจา้าเขาบอกเพราะการที่วาสกเป็นผู้งดเว้นจากปานนิติบาตงดเว้นจากอาทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาตงดเว้นจากการจากสุรามีระยะมัชปลามาทฐานด้วยเหตุเพียงเท่านี้เลยบาสกชื่อว่าผู้ถึงผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วถามต่อไปบอกว่าพระเจ้ามหานามะถามว่า พระองค์พูจเจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อนี้อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อโพธิเชื่อโพธิก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้โพธิพุทธะความหมายเดียวกันเชื่อโพธิก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นเป็นผู้ทรงพระเจริญด้วยเหตุเพียงแค่นี้อุบาสกจึงเชื่อเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วก็ถามต่อว่าพระเจหาห้ามหานามาเกเลยถามพระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงเชื่อเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ พระเจ้าตรัสว่าอุบาสกผู้ครองเรือนด้วยใจปราศจากบนทินคือความหวงแหนความตนียินดีในการแบ่งปันด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลอุบาสกชื่อว่าจาคะได้ขยายไปแล้วพระเจ้ามหานามาก็ถามต่อด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาโอ้ยนี่สาคัญที่เราจะคุยกันในเรื่องปัญญานี่แหละอุบาสกเป็นผู้มีปัญญาสามารถทะลวงกิเลสได้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาก็คือว่าอันเป็นอันให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นต้นอ่าแต่นี้ก็พระพุทธเจ้าคําว่าโสตาปฏิยังคะเนี่ยยังมีอยู่สูตรหนึ่งที่ภาษารีบุตรถามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกภาษารีบุตรพูดกันว่าโสตาปฏิยังคะโสตาปฏิยังคะองคุลเครื่องบรรลุโสดาบันเนี่ยเป็นฉไหน พริยาถามภาษาริบุตรภาษาริบุตรก็บอกว่าพระองค์ผู้เจริญการเสวนาสั ต, ร บ, รสตบุรตรสาปริสังเสวะก็คือการครบสัตรบรุตรที น, นี้ก็เป็นโสตาปเดียงค้าข้อหนึ่งนะคือการครบบัณฑิตนีการครบสัตรบุรุษการครบท่านผู้รู้เนี่ย น, นี่เป็นองค์คุณแห่งการที่จะได้มีโอกาสบรรลุเป็นพระโสดาบันโอ้โหและประการต่อมาการฟังของสัตว์การฟังธรรมของสัตรบรุตรก็คือสัตรธรมมัสวนนะ อันนี้ก็เป็นโสตาปฏิยังคะอีกข้อหนึ่งการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธนนีเรียกว่าโยนิโสมณิสิการก็เป็นโสตาปฏิยังคะนั่นข้อหนึ่งการปฏิบัติทำหลักย่อยค้อยตามหลักใหญ่ก็เรียกธรรมมานุธรรมปฏิปติประพฤติธรรมตามสมควรแกโร่โลกุตตระธรรมอันนี้ก็เป็นโสตาปฏิยังคะข้อหนึ่งพิกษูทั้งหลายโสตาปฏิยังคะสีประการนี้กล่าวคือการเสวนาสัตว์บุษการฟังธรรมของสัตว์บรุษการคิดหา เหตุผลโดยถูกวิธีการปฏิบัติทำหลักย่อยคล้อยหลักใหญ่เนี่ยพิกษุทั้งหลายทำทั้ง4ประการนี้เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความให้ประจักษ์แจ้งโสดาปฏิผลนั้นถ้าบุคคลใดปรารถนาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันก็บอกว่ า, วาก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักการนี้แหละเขาเรียกว่าจึงชื่อว่าเป็นโสตาปฏิยังคะองค์คุณแห่งการเป็นโสดาบันดังได้กล่าวแล้ว ก็ได้พูดถึงเรื่องศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรศรัท ธ, ธาในพระเจ้าศรัท ธ, ธาในพระธรรมและศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นในพระสงฆ์แล้วก็ไปพูดในเรื่องศีลแล้วก็พูดเรื่องสุตตะแล้วเมื่อวานนี้จบลงที่จาระศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาบางครั้งก็จะมีศรัทธาศีลจาระปัญญาด้วยนะแล้วก็พูดเรื่องของสุตตะสุตตะ แล้วก็พูดในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งก็พูดเรื่องยังไม่ได้ขยายคําว่าตถาคตโพธิสัตย์ถามความเชื่อบัญญาตัสรุ้ของพระตถาคตก็คือเชื่อปัญญาที่รู้สัจธรรมของพระผู้ทรงค้นพบก็หมายถึงว่าเชื่อมั่นในพระปีชายานของพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบเป็นองค์แทนหรือเป็นผู้นําของมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนยันนะว่าถึงสมรรถภาพหรือสมรรถนะวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์เนี่ย สามารถที่จะอย่างรู้สัจธรรมเข้าถึงความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามฝึกผลพัฒนาตนเองดังนั้นดังคำอุปมาที่พระเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่าทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่พระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเป็นไก่ตัวพี่ที่มีความสามารถในการจอดกระปอกไข่ออกมาเป็นตัวแรกของโลกพวกเราเนี่ยเป็นไก่ตัวน้องๆเลๆและหลานออกมาเนี่นะ ทีนี้ไอไก่ที่อยู่ในไข่เนี่ยถามว่าต้องอาศัยตนต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วยใช่ไหมอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อตัวเองได้อุณหภูมิอุณที่เหมาะสมแล้วตัวเองก็แก่กล้าแข็งแรงขึ้นมาพอตนเองแข็งแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าไปนอนอยู่เฉยๆจะออกจะเปื่อยไข่ได้ไหมฉะนั้นพระเจ้าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปฏิดัตดั่งอุณหภูมินะ เป็นอุณหภูมิที่บ่มเพราะเหมือนกับอุณหภูมิที่แม่ไก่ไปกบเปลือกไข่เเหมือนกันหรือเหมือนเอาไข่ไปไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วเราก็ทำอุณหภูมิไ ม, ม่เหมาะสมแล้วไอ้ลูกไก่ที่อยู่ในเปลือกไข่นั้นก็เริ่มเจริญเติบโตนะจากเล็กเลๆกเล็ก็กกกมาเาเจริญเติบโตมาจนแข็งแรงแต่ถ้าไอ้ลูกไก่นั้นไม่พัฒนาตนเองนะลูกไก่เหล่านั้นก็จะนอนตายอยู่ในนั้นแหละ พระเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าพราะองค์ฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยอาศัยศักยภาพความสามารถของตนเองเนี่ยทําจมอยปากให้แข็งทํากรงเล็บให้แข็งแล้วก็ใช้จมอยปากเจาะกระป๋องไข่ใช้เท้าฉีกเปลือกไข่เดินออกมาเป็นตัวแรกเลย น, นี่นะแล้วก็บอกเอาพวกเราเป็นไก่ตัวหลังๆเนี่ยเราจะยอมจมอยู่กับเปลือกไข่แล้วก็ตายอยู่ในเปลือกไข่ก็เหมือนคนบางคนเนี่ยนะยอมจมอยู่กับโมหะ คือความมืดบอดไม่ฝึกฝนตามพระธรรมนั้นถ้าฟังธรรมโอรสพระเจ้าแล้วจะต้องนึ่งพฤติกรรมต้องแข็งแรงขึ้นต้องดีขึ้นพฤติกรรมทางกายทางวาจาต้องงดงามด้านจิตใจต้องมั่นคงขึ้นเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นเชื่อมั่นในคุณความดีมีทั้งคุณภาพทั้งสมรรถภาพทั้งด้านความสุขทั้งด้านจิตใจแล้วก็สุขเป็นฐานของสมาธิตั้งมั่นความอดทนความบากบัน แล้วก็ปฏิบัติการทําปัญญาให้เกิดขึ้นประดุดดังทําจงไวปากให้แข็งแรงทํากงเล็บให้แข็งแรงก็เจอะก็เปอกไข่ฉีกเบือไข่เดินออกมาสู่โลกกว้างเป็นอิสระเสรี<อ>ใช่ไหมเออตอนนี้เรายังไม่เป็นอิสระนะเรายังถูกจมด้วยโมหะมืดบอดยอมจํานนยอมจำนนอยู่กันนั่นแหละอยู่กับครอบครัวบ้างอยู่กับบุตรอยู่กับภรรยาอยู่กับพ่อแม่บ้างไปอยู่นั่นแหละไม่ไม่สามารถหาทางออกด้วยเอยงได้พระเจ้าบอกจาจมอยู่อย่างนั้น ฝึกนพัฒนาตัวงให้แข็งแรงด้วยปัญญาเมื่อปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวนะฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้แข็งแรงขึง้นมาแล้วก็เมื่อแข็งแรงแล้วเนี่ยจะมอยปากแข็งแรงแล้วกรงเล็บแข็งแรงแล้วก็ใช้จะมอยปากเจาะปุ๊บปุบจ่บอใบใบเดือดแตกไหมถ้าไม่จาอไอไก่ตัวนั้นตายไหมตายกลายเป็นไก่ที่ตายอยู่ในเปลือกไข่จัดโลกก็เป็นเหมือนนี่ ไก่ส่วนใหญ่ออกจากเปลือกไข่ไม่ได้ตายอยู่กับโมหะสัตว์โลกทั้งหลายก็ออกจากความมืดบอดออกจากความหลงไม่ได้ออกจากความกำหนัดไม่ได้ออกจากความขัดเคืองไม่ได้ออกจากความมัวเมารุ่มหลงไม่ได้ก็จอมอยู่กับราคะความกำหนัดโทสะความโกรธแล้ก็โมหะความหลงก็เหมือนกับไก่ที่ตายอยู่ในเปลือกไข่ไม่พัฒนาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาแล้วไม่ใช้จะงอยปากเจาะเปลือกไข่ ไม่ใช้กงเล็บของตอนเองฉีกเปลือกไข่เดินออกสู่โลกกว้างเป็นอิสระเสรีภาพอ้าวทีนี้พร้อมไหมยังพร้อมจะจะเป็นไก่ที่แข็งแรงไหมยังหรือจะเป็นไก่อ่อนแอตัวนั้นเน่ยมันก็ตายไปตายไปกระเปลือกไข่ปะถ้าเป็นไก่ที่อ่อนีแยก็ไม่เป็นอิสระอะไรอย่มั้ทีนี้นี่แหละเชื่อ ม, มั่นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็บอกเชื่อมอันดับแรกจริงๆนะเราเชื่อ ม, มั่นปัญญาของพระพุทธเจ้า หรือเชื่อปัญญารู้จักสัจธรรมของผู้ทรงค้นพบนั่นแหละก็คือมั่นใจในพระปีชายานของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลคนแรกแล้วก็เลยเราก็เลยเอาความเชื่อของเราไปเชื่อปัญญาของท่านพอไปเชื่อปัญญาท่านปุ๊บแล้วก็น้อมฟังนะไม่ใช่เชื่อปัญญาอย่างเดียวแล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะแล้วก็น้อมในการที่จะฟังพระพุทธเจ้า <escr> ออพอฟังพรุทธเจ้าแล้วแต่นี้ก็โอ้โหได้รูปแบบได้ห <hehe> ล qui like ักการแล้วแตนี้ฝึกตัวเองแข็งแรงเลยแตนี้นี่เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นการตัดสู้ของพุทธเจ้าก็คือการประกาศยืนยันความสามารถนี้ของมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นแหละตถาคตโพธิสัตธาก็คือความเชื่อในปัญญาตัดสู้ของพรุทธเจ้าก็คือความเชื่อมั่นมั่นใจในปัญญาที่จะอย่างรู้สัจธรรมของมนุษย์หรือความเชื่อมั่นมั่นใจในความสามารถของมนุษย์แต่เด่น พูดให้สั้นลงมาก็คือคําว่าตถาคตโพธิสัตถาก็คือสัมแดงถึงความเชื่อความมั่นใจในตนเองของมนุษย์ทุกๆคนความมั่นใจตนเองในที่นี้ไม่ใช่ความเชื่อตอนเองอย่างเห็นแก่ตัวนะหรอย่างมีมานะหังการะนะไม่ใช่อา ม, า ม, ามาังาการหังการแต่หมายถึงมั่นใจตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละ ของมนุษย์นั่นเองและก็ไม่ใช่ความยึดมั่นวางใจในปัญญาของตนเพียงเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นๆั น, นนะแต่หมายถึงอะไรหมายถึงความเชื่อในปัญญาของมนุษย์อย่างเป็นกลางๆงพูดอย่างสมัยใหม่ก็คือเชื่อในศักยภาพแห่งปัญญาของตนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งว่าสามารถพัฒนาฝึกปรือจนได้ผลดีที่สุดพอแก่ความต้องการของมนุษย์เป็นต้นได้นั้นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ประกาศอะไร ประกาศความสามารถอันนี้ของมนุษย์ทรงเป็นบุคคลคนแรกที่ไม่ทรงอ้างอนุภาพหรือแรงบันดาลของเทพเจ้าหรืออำนาจสูงสุดใดๆนะจึงทรงเป็นเครื่องหมายและสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในตนเองของมนุษย์ทั้งหลายในทางปฏิบัติตถาคตทุกโพธิสัตธาก็ย่อมครอบคลุมถึงศรัทธาในพระัตนตรยนะัยในครบทั้งสามพร้อมกันเลยเชื่อมนุษย์มีปัญญาที่สามารถจะพัฒนาตนไปจนถึงแก้ปัญหา ขั้นสุดท้ายของตนเองได้รู้ถึงอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ์ได้เนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างนี่ก็คือเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนะเชื่อหลักการนั้นด้วยแล้วก็เชื่อสังคมระดับอริยสังฆาเนี่ยแหละในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกเป็นความเชื่อมั่นที่เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาเนี่ย ต, ตรงนี้สําคัญมาก ว่าหลักการที่เราจะทําให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพูดในเรื่องของตัวตัวปัญญาปัญญาที่จะสามารถตัดสรู้นี่แหละพูดถึงปัญญาก็แปลว่าการรู้ทั่วนะรู้ทั่วหรือรู้ชัดคําว่ารู้ทั่วรู้ชัดก็ได้แก่ความเข้าใจความอย่างรู้เหตุผลรู้ประเภทที่จําแนกโยงถึงการวิจัย จัดแจงสามารถวินิจฉัยได้ว่าจริงเท็จ ด, ดีชั่วถูกผิดควรไม่ควรคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็สามารถเข้าไปจอดทะลุดทะลวงรู้ระหว่างเหตุและผลน่ยนะและปัจจัยต่างๆรู้ภาวะตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายรู้ว่าจะนําไปใช้หรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ให้สําเร็จผลที่มุ่งหมายได้นี่เป็นความรู้ระดับการเข้าถึงเลยนะทั้งลักษณะปัญญาเนี่ยเป็นการใช้งานหรือแก้ปัญหาแต่ในที่นี้หมายถึง เฉพาะความรู้ที่จะใช้แก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์และดับทุกพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่จะทําให้รู้จักดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามไม่เกิดปัญหาไม่ให้เป็นที่มาของทุกนี่แหละฉะนั้นในด้านของสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากเป็นองค์มากอ ง, องแรกเลยใช่ไหมความเห็นที่ถูกต้องฉะนั้นปัญญาในความหมายนี้มีวิธีพูดได้หลายแงย่ก็คือเช่นบอกว่าความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง ถ้าพูดกันอย่างเจาะจงลงไปก็คือรู้แจ้งในอริยสัจสีรู้ในทุกรู้ตัวปัญหานี่แหละรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เดี๋ยวพูดอีกอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอปัญหาเนเราไปอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยพอเจอปัญหาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโดยมากเนี่ย พอปัญหาเกิดขึ้นคนสนยยย่วนใหญ่จะโทษโทษสิ่งนอกตัวไหมใช่ไหมเวลามีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเรามาโทษแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยเวลามีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากก็ปุ๊บบางคนก็โยนไปให้กรรมในอดีตเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมนุษย์โดยมากเป็นอย่างนี้โอ้เป็นเพราะกรรมเราทําไม่ดีในอดีตเนี่ยนะที่นี่นนนนกลุ่มนึง อีกกลุ่มหนึ่งนักไปกว่า น, นั้นก็คือโทษเทพเจ้าหรือโทษพระเจ้าดนบันดาลให้เราได้รับสุขได้รับทุกข์ไปเลยใช่ไหมสมหวังปิดหวังอีกกลุ่มหนึ่งโทษดวงดาวสมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาไม่ถึงนะปัญญาไม่ถึ ง, งนเนี่ยลักษณะอย่างนี้แบบั้นปัญญาเนี่ยมีหลายสถานก็คือรู้อริยสัจสี่ด้วยมองเห็นปฏิจจสุบารหรือความคิดเหตุผลที่ ที่ไม่ถูกนิวรณ์ห้าครอบงําน่ที่แสดงไว้เป็นความหมายของปัญญาสัมปทาด้วยในฐานะอะไรเป็นคุณสมบัติของอริยาสาวกด้วยนั้นปัญญาที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปนี่ก็เรียกว่ารู้เท่าทันกติธรรมดาของโลกในชีวิตเช่นรู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายรู้ความเจริญและความเสื่อมอันเป็นอริยะด้วยสามารถทะลวงกิเลสก็คือเจาะสัจธรรมได้ อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแต่ถ้ามองในลักษณะอย่างเงี้ยนั้นไม่ว่าจะมีถ้ามองในแง่ของโลกย่ยปัญญากะยักเยี่ยงแก่กาแตกต่างกันอย่างออกไปนะอันนี้ก็เป็นความเก่งกล้าความสามารถในการดําเนินกิจต่างๆในโลกเช่นโดดเด่นในด้านถ้ามองถึงในเรื่องของปัญญาเนี่ยหลายอย่างบางคนก็มีปัญญาโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจบ้างนักประดิษฐ์บ้างเชี่ยวชาญทางด้าน คนควา้าวิทยาศาสตร์รอบรู้วิชาการต่างๆทั้งหลายเราเนี้ยอันนี้ก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งนะเป็นคุณสมบัติของปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยถ้าเป็นอริยสาวกทั้งหลายเราเนี่ยก็เป็นปัญญาที่จะต้องสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ดับทุกข์ได้แต่ถ้าปัญญาที่เรามองกันในทางโลกโลกทั้งหลายก็เป็นปัญญาแก้ปัญหามนุษย์นะแต่พอแก้ไปแก้มามันอาจจะทับซ้อนไปส น, นึ่ แก้ปัญหาอย่างหนึ่งอาจจะไปเพิ่มปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ได้ยิ่ไหมอันนั้นก็ไปดูในรายละเอียดเพิ่อีกทีนั้นปัญญาที่เป็นคุณสมบัติของเรียสวอก็คือความรู้ประเภทสุตตะสุตตะก็คือการเก็บข้อมูลเนี่ยการเก็บวัตถุ ด, ดิบอันนั้นเป็นอุปกรณ์สําคัญของปัญญานะีถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลไว้เนี่ยก็ก็ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะมีอุปกรณ์จะทําให้ปัญญาได้ข้อมูลที่นําไปใช้และสร้างความเข้าใจชัดเจนกว้างขวางยิ่งขึ้น สุตตะจึงเป็นปัจจัยแก่ปัญญาไหมเป็นใช่ไหการสั่งสมสุตตะนี่สาคัญมากฉะนั้นใครเก็บข้อมูลไว้เยอะข้อมูลดีๆนะไวไ้ในใจมากๆคนคนนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีสุตตะมากเมื่อมีสุตตะมากแล้วก็สุตตะเหล่านั้นดึงข้อมูลนั้นมาวิจัยมาแยกแยะมาใช้ให้ปัญญาสอบสวนมาตรวจสอบมาวิจัยก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยนี่เป็นต้น สุตต ท, ทางทางธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปัญญาของอริยาสาวกได้แม้สุตต์ในทางโลกก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาทางธรรมได้นะโดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตเป็นผู้รู้จักคิดเขาเรียกว่าใช้โยนิโสมนสิการก็อาจจะเกิดปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตได้จากสุตต์ในวิชาการและในอาชีพต่างๆที่ตนเองประกอบก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนได้ทั้งนั้นเช่นเราไปรู้วิชาอะไรมาเนี่ยมันเป็นอุ ป, อปกรณ์ในหมดเลยนียเช่นรู้วิชาประวัติศาสตร์ แล้วก็สามารถเอาประวัติศาสตร์นั้นน่ะเอามาวิจัยมาแยกแยะเราก็จะเห็นการแก้ปัญหาในสมัยก่อนได้อย่างยกตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์ในสมัยโบ ร, ราณเนี่ยนะเออมีการต่อสู้กันยังไงมีการมีการประหัรประหารกันมีการเข็นฆ่ากันเอา้าเรมีการประหัรประหานเข็นฆ่ากันปุ๊บเราศึกษาประวัติศาสตร์ปุ๊บล้วก็บอกเอาละปัจจุบันนี้เราจะไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยตัวมันเอ เราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะแก้ไขจะตัดไปจะต้นลมเสียไม่เหตุการณ์ที่ชั่วร้ายทั้งหลายมันเกิดขึ้นเอออย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้เห็นไหมเนี่ยหรือว่าความรู้หรือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เป็นปัจจัยสุตตะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้ากล่าวโดยรวบยอดนะสําหรับการดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือการก้าวหน้าไปในธรรมะความสําเร็จเด็ดขาดอยู่ที่ปัญญาบางคนมีสุตตะ ม, มากมีข้อมูลมาก แต่เป็นคนไม่รู้จักคิดก็ไม่สามารถทําให้เกิดปัญญาได้และไม่สามารถใช้สุดตาให้เป็นประโยชน์ได้บางคนมีสุดตาเพียงเล็กน้อยจนแทบจะไม่ต้องพูดถึงแต่มีปัญญามากรู้จักคิดรู้จักดําเนินชีวิตที่ดีก็สามารถแก้ปัญหาได้เออเห็นไหมเนี่ยบางคนมีสุดตามากก็จริงอยู่แต่ไม่สามารถเอาสุดตาข้อมูลนั้นนะ่ะมาเป็นอุปกรณ์เสริมทําให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้และในสุดจริงๆก็กลายเป็น รู้ทั่วหัวตัวไม่รอดเนี่ยเราจะเห็นจะยินข่าวค่อนข้าเยอะมีอยู่คนหนึ่งบอกไปเรียนจบมาเพงั้นนะไปคุยก็มีการเล่าเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งนะไอ้เจ้าเนี่ยมันเรียนจบมาจากในเมืองกรุงนะเรียนจบมาจะเป็นด็อกเตอร์เรียนหมดทุกอย่างเรียนทั้งวิชาเรื่องว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยว่าเช่นปรากฏการณ์ธรรมชาติถ้าจะเกิดพายุเป็นยังไ ง, งเพราะงั้นเดอะ แล้วก็จะเรียนวิชาเรื่องประวัติศาสตร์เป็นยังไงดาราศาสตร์เป็นยังไงวิทยาศาสตร์เป็นไงเรียนเรียนหมดเลยเนะี่ยแต่เป็นคนรู้เฉพาะในด้านตำราเท่านั้นมีวันหนึ่งก็คือกลับมาบ้านนอกก็มานั่งเรือในขณะที่ไอต้ตาแก่คนนี้พายเรือไปเนี่ยนะแกก็ถามบอกว่าบอกลุงรู้จักวิทยาศาสตร์ไหมไม่รู้กลุงไม่ได้เรียนอย่าเงี้ ย, ยก็บพายเรือโอ้ลุงงงจริงจริงกว่างนนเนี้ย โง่งมากเรารู้ประวัติศาสตร์ไหมเนี่ยประวัติศาสตร์ความเป็นมาไงผมไม่รู้เขาบอกลมก็ได้แต่พายเรือข้ามฟากอย่างนี้แหละ ว, วังก็ได้เขาถามไปรู้วิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้อัตลาศาสตร์รู้ไหมเนี่ยเป็นยังไงดวงยันโดที่เป็นเป็นยังไงในดวงดาวเป็นยังไงไม่ทราบ อ, อรู้ไมไ่มปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายมันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดการแปลปวนแล้วมีมีลมมีดินไม่รู้ทั้งนั้นเลยต่อนั้น มีพ่พอไปได้ระยะหนึ่งพอถึงกลางกลางแม่น้ําเนี่ยทีนี้อมันเกิดพายุไอ้ตาลุงนี่ก็บอกว่าเออเนี่ยอีกพ่อนุมไอ้พายุที่มาแล้วเนี้ยถามหน่อยว่าพ่อหนุม่มไหวน้ําเป็นไหมบอกไาวไม่เป็นไอ้เจ้าเนี้ยเรียนรู้ทุกอย่างแต่มันไม่สามารถจะไายน้ำเป็นเขาบอกโอ้โหเนี่ยตอนนี้เรือต้องคว่ำแน่นอนแล้วตัวใครตัวมันนะเรือคว่ำไอ้เจ้านี้ตายเลย แต่ไอ้ทักแก่คนเนี้มันว่ายน้ําเป็นมันเอาตัวรอดได้ไอ้ตัวที่โอ้ยมันก็เลยพระอบว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้ไอ้บ้าคนเนี้ไอ้เจ้าเนี้ยเรียนรู้ทุกเรื่องเรียนไม้ในขั้ปรากฏการธรรมชาติแม้นพายุจะเกิดก็รู้ด้วยแต่มันรู้แต่เฉพาะทฤษฎีรู้แต่เฉพาะหลักการแต่ไม่มีความรู้ที่จะสามารถทําตนวเองให้รอดพ้นหลุดพ้นได้เนี่ยเห็นไหมไอ้สุ ต, ตะเนี่ยมันมันไม่มีประโยชน์ตรงเนี้ย มันยังไม่สามารถพัฒนาไปเป็นปัญญาอย่างลึกซึ้งอย่างเข้าใจอย่างท่องแท้สามารถแก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลดิบข้อมูลดิบมันยังไม่ก่อประโยชน์ก่อนแต่มันเป็นประโยชน์ไหมเป็นนะแต่ไม่ใช่เอามาค้างเตอมเข้าไว้อย่าเงี้ยแต่ไม่เคยเป็นประโยชน์ได้เลยเนี่ยที่ต้อ ง, ต, องต้องระวังนะนะแต่ถ้าหาคาสุตาก็อาจจะทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะตรงนี้ก็ต้องสุตาก็สําคัญในลักษณะอย่างเงี้ย ศรัทธาศีลจาคณและปัญญาบางทีสุตตะก็ออกไปนะสังเกตดูดีถ้าจเบรุเด็กสุตตะบางทีท่านไม่ได้สั่งสมอะไรเยอะเท่าไหร่ทีนี้ปัญญาเนี่ยไม่เพียงแต่ให้ความสําเร็จแก่สุตตะเท่านั้นแต่เป็นฐานรองรับให้ความถูกต้องแก่คุณสมบัติอื่นๆทั้งหมดด้วยปัญญาทําให้ศรัทธาเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักไม่ผิดพลาดไม่กลายเป็นความงม ง, งายใช่ไหมฉะนั้นคนที่จะมีศรัทธาปุ๊บ ศรัทธาก็ต้องไปยึดโยงหรือไปอย่างลงที่ปัญญานี่เลยพราะมีปัญญาปุบการเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลก็จะตามมาเห็นไหมเรื่งปัญญาก็ต้องมาทํากิจในการที่จะนํานำศรัทธาอีกทีหนึ่งนี้เป็นต้นทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นแหละปัญญาก็ยังทําให้การประพฤติศีลเป็นไปได้อย่างถูกต้องด้วยเป็นอริยกัรตัดศีลศีลที่อริยะชมชื่นชมด้วยอย่างที่เรียกว่าอริยการตัดศีลไม่กลายเป็นศีลรัตตปราหมาดด้วยเห่น ไ, ไหม ทั้งท่าไม่มีปัญญาเข้ามาพิจารณาตามเนยยะของเหตุผลการประพฤติในสีเสียไหมก็กลายเป็นศีรัปตปรามาสเป็นการประพฤติตามๆกันมาตามประเพณีตามรูปแบบเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะประพืชได้อย่างถูกต้องดีงามเป็นต้นด้วยฉะนั้นปัญญาตรงนี้จึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเห็นไหมปัญญาก็เลยมาพัฒนาการก็คือมานํา สามารถให้พฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาและอาชีพเป็นไปด้วยความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็เข้าถึงจุดหมายได้อย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าศีลไม่มีปัญญานาเนี่ยไปไปมาก็เป็นไปได้แค่รูปแบบตามพิธีกรรมใช่ตามหลักการที่ไม่ถูกต้องเลยไปไปมาก็เลยการเป็นความงมงายไปอย่างนี้เป็นต้นปัญญาทำให้มีจาคะเป็นความสละที่แท้จริง เพราะถ้าไม่มีปัญญาที่เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะที่แท้จริงคติรธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเป็นต้นได้ฉะนั้นการที่จะสละได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะต้องมีปัญญาเป็นตัวนํจาจ่าคาอีกเหมือนกัน like เพราะการที่จะสละข้างนอกสละข้างในได้กับตัวปัญญานี่แหละเป็นตัวตัดกิเลสและปัญญาก็เลยพัฒนาไปเข้าใจโลกและชีวิตตามตามความเป็นจริงยังไม่มองเห็นสภาวะที่แท้และกติรธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ยังไม่ได้เรียนรู้ที่เกี่ยวกับความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องให้คุณค่าแก่วัตถุกรรมเป็นอย่างสูงด้วยยากที่จะยากที่จะไม่หลงไหลใช่ไหมฉะนั้นปัญญาจึงมาตัวคัดสรรเวลาความสุขเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้ามิมีปัญญามานำนี่นะปัญญามันไอตัวจิตของเราจิตของมนุษย์ยติดหมดละเช่นว่าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมถ้าไม่มีปัญญาติดไหมจิตก็ไปติดเนี่ย ก็เหมือนเหล็กดูจะไปติดมันนี่ใช่ไหมไปติดในสีที่ ส, สวยๆเสียงที่เพลาะๆกลิ่น ห, อ, หมอมรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆทาอารมณ์ที่น่าชอบใจเนี่ยเนยีอารมณ์ทั้งหลายที่มันยั่วยวนชวนให้รักใครทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่มีปัญญาไปพิจารณาเหตุและผลพิจารณาแยกแยะเนี่ยมันก็ไปติดใช่ไหมจิตมันโง่นี่มันจะมีไม่มีปัญญานาในยุ่งเลยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ลหลงไหลในสิ่งนั่นใช่ไหม ไปทำสิ่งใดก็หาทางออกไม่เจอด้วยเพราะปัญญามันไม่เดินปัญญามันไม่กแล้วนะคราบแล้จิตก็อั้นหาทางหาทางออกไม่ได้ด้วยนี่เป็นอย่างนี้หรือบ้า ง, งกูุมก็เหมือนที่บอกไ้ที่นั่งรถไปกันเมื่อวานนี้ที่บอกว่าทาง2ทางเนี่ยทางที่เป็นไปกับกามาสุขการิการนิโยคเนี่ยแล้วก็อัดตา ก, กินามาถานิวยอร์กเนี่ยไอทางดําเนินของสัตว์โลกทั้งหลายที่ดําเนินกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทางใหญ่ ในทางเหล่านี้ถ้าใครดําเนินไปแล้วติดทุกไลายเลยบางคนก็ไปติดกรรมไม่ติดการมติดด้วยถูกกรรมด้วยอํานาจของกิเลสกรรมนี่เพราะปัญญาไม่เกิดมันติดเลยนะใช่ไหมไม่สามารถจะถ่ายถอนกิเลสไม่สามารถมองเห็นกติธรรมดาของโลกในชีวิตตามความเป็นจริงได้หรือบางทีจะต้องการอยากจะพ้นแต่สิ่งนั้นก็ไปเครียดเป็นกลุ่มกับมันเองนี่เง้มันจะเป็นลักอะไรเงี้ยอถ้าปัญญาไม่เกิดใช้ชีวิตถูกไหมไม่ถูกทุกวันนี้สามารถทําปัญญาให้เกิดได้ยัง ดำเนินชีวิตได้ไ ด, ได้ได้พอเหมาะพอควรเนี่ยมีปัญญาสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นอิสระเสรีภาพหรือยังยังไม่ได้เลยใช่ไหมเหมือนเราจะกินอาหารเนี่ยนะเวลาจะกินอาหารเนี่ยถ้าขาดปัญญาติดไหมเอาชอบแล้วไม่ชอบเป็นตัวตั้งเห็นไหมปัญญามัไม่เดินก็อยู่แบนี้นี่ไม่แค่กินอาหารก็ผิดเราจะใส่นุ่งผมเนี่ยถ้าปัญญาไม่เกิดดีอ้อาวก็ใช้เอาแบบชอบแล้วไม่ชอบอยู่แค่นี้เลย แล้วก็มัวเมาลุ่มหลงกับมันไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงไม่รู้เข้าไปถึงเข้าได้แค่คุณค่าเทียมมันเฮ้ยโน่องอย่างนี้มันโก้ดีมันสวยดีมันงามดีก็ติดใจไปกระสันกับมันใช่ไหมก็เลยไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าใช้จีวรเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็เลยมาท่องกันแบบปฏิซ้ำขาโยธิโสจิวรังปฏิเสวามิเก็พิจารณาจีวรว่าเออป้องกันความละายนะป้องกันเหลือบนะป้องกันยุงนะป้องกันความหนาวความร้อนเป็นต้นนะ วัตถุประสงค์คืออย่างนี้นะเพื่อปกปิดไม่เกิดความละอายได้เป็นปัจจัยในการขัดเกลาระจะได้เป็นปัจจัยต่อการเจริญศินสมาทิปัญญายิ่ ง, งขึ้นไปแเราก็ไม่เคยรู้จุดหมายที่แท้จริงเราก็ไปติดในคุณค่าเทียมจะไปกินอาหารก็ไปติดยี่ห้อใช่ไหมติดยี่ห้อไปติดรสอร่อยไปมัวเมาไปเพลิดเพลินมันก็เป็นไปลักษณะนี้พอปัญญาไม่นําจิตเนี่ยจิตมันอันหมดเลยไปไม่เป็นเลยหลงทางหมดเลยทุกเรื่องเป็นอย่างนั้นหมด แม้แต่การจะจะพักผ่อนถ้าปัญญาไม่นําไม่รู้เลยเวลานี้ควรพักเวลานี้ไม่ควรพักก็เพลินไปอย่างเงี้ยจิตก็เดินไปเรื่อยเลยหาทางออกไม่ได้ก็มีความฟุงรร้งซ่านมารบกวนบ้างความติดใจฝ่ายกระสันบ้างความเครียดความโกรธบ้างหดหู่ท้อถอยบ้างใช่ไหมฟุงรร้งซ่านลําคาญบ้างลังเลสงสัยบ้างเนี่ยก็เป็นไปกับกิเลสอกุศลธรรมเหล่า น, นี้อั่วอรอายก็ พาจิตหลงทางไปเรื่อยเลยก็ไม่สามารถที่จะระงับดับดีเลตเหล่านี้ได้บางคนจะนอนก็นอนไม่ไดไห้หรือบางคนนอนก็มัวเมาเพลินไปฟังอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะฟังคนไม่มีปัญ ญ, ญานี่ยนะก็ปล่อยให้จิตมันหลอกความโลภกดลงมันหลอกจิตไปขี้ไปปิดไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ค้คว้าไม่ไม่พยายามเก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยถ้าคนมีปัญญานี่โอ้โย เป็นอาหารนันโอชาเลยใช่ไหมอะไรเนาะที่จะเป็นข้อมูลแก่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องหูตั้งใจตาขมิ้ตั้งใจฟังสนใจรล้วก็จะต้องเก็บเกี่ยวเอาให้ได้นี่เป็นต้นเน้นทุกอย่างในคำตอบเลยมาจบตรงที่ปัญญานี่แหละสาคัญตรงที่สุดก็คือปัญญานี่แหละงั้นปัญญาเนี่ยให้ความไม่ใช่ว่าสุตตะเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมศรัทธาจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องไปยึดโยงที่ปัญญา ความเข้าใจศีลการประพฤติกายวาจาและและ้วก็อาชีพให้เรียบร้อยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องมีปัญญาเป็นตัวนําถึงจะเข้าถึงจุดหมายที่แท้จริงเป็นไปเพื่อปราโมทย์ปีติปสัสสติสุขสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เห็นและเข้าใจทําความเป็นจริงก็ไม่ติดแค่รูปแบบพระธระรมธรรมรูปประเพณีอย่างเงี้ยนะ่นี้เป็นต้นจาฆะโอ้ยถ้าไม่มีปัญญานำก็สละมั่วสละไม่ไม่แท้จริงกิเลสก็ไม่ถูกสละหรอก แล้วก็จะสลับแบบไหนถ้ามีปัญญาอชอบใครก็ให้คนนั้นเกลียดใครก็ให้น้อยหน่อยหลงก็เขาให้ก็ให้ตามเขากลัวจะมีภัยถึงให้อย่างเงี้ยให้ตามประเพณีบ้างใช่ไหมให้วังสกติโลกสวรรค์บ้างให้แล้วมันสุขใจไปวันบ้างนี่ไม่เข้าใจแต่ถ้ามีปัญญาปุ๊บมันประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อพัฒนาไปสู่ศีลสมาธิปัญญาอู้ให้เป็นเลยแต่เนี้ยให้ด้วยปัญญาให้ด้วยความรู้ให้ดูความชาญฉลาดให้ดูความเข้าใจอนี้เป็นต้น นั้นปัญญาเป็นความสําคัญของชีวิตมากเป็นความสําคัญมากเราดําเนินชีวิตกันทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้าใครสามารถฝึกฝนพัฒนาปัญญาได้ทุกเรื่องตั้งกตดูนะพระเจ้าเนี่ยเวลาจะคิดในอดีตปุ๊บ ก, ก็มีปัญญานํำไหย ม, มีปัญญานำหนะ้าพวกเราเนี่ยคิดไปในอดีตไม่หรอความโลภนําก็มีอุ้ยพอะจะเล่าเรื่องอดีตหน่อยแล้วก็เล่าด้วยความเมามันด้วยความโลภ บ, บ้างดาโบบางดยความโกรธบ้างความหลงบ้างอาคิดไปในอนาคตโดยมากเราไม่มีปัญญานํำนะ ก็เหยโลภะตัสามเป็นตัวนําอยู่ด้วยเลยแม้คิดในปัจจุบันก็เหมือนกันหมาถึงมีปัญญานําหน้าอลไรเราคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็คิดไปม่วๆงเงี้ยจิตก็แล่นไปหาสีเสียงกิริย์รสผลิภัพฑ์ที่ไม่มีปัญญาเป็นตัวนําก็คิดด้วยความหลงความไม่เข้าใจเอาพรทธิจารย์มาอย่างนั้นกายกรรมเวลาเราเคลื่อนไหวกายเนี่ยนะในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนเห็นไหมในการกินในการดื่มในการเคี่ยวในการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะ เรามีปัญญานําทุกเรื่องไหมไม่มีเลยใช่ไหมก้าวไปถอยขับคู่เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวเนี้ยเราแล่หม้อไปหมดแหละไม่มีปัญญานำเลยเห็นหมคนที่ฝึกปัญญาแล้วจะมีปัญญาเป็นตัวกํากับนําอายุก็อยากเช่นนะเราเนี่ยเวลาเราจะเหลียวขวามองไปขวามือเราเนี่ยนะเราต้องคิดก่อนไหมว่าถ้าเราเหลียวไปทางด้านขวาเนี่ยถ้าบาปอกุศลธรรทมันช่วลอะมันเกิดขึ้นเราจะไม่เลียวหรอก เรื่องอะไรเหลียวไปหาบาปนะจะพิจารณาว่าเราเหลียวไปด้านนี้เราจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ศรัทธามั่นคงในพระธรรมนาฏยังเหลียวไปเออคิดอย่างนี้ไหม <c oughs> หรือเราจะเดินไปที่ที่เนี้สมมุติเราจะเดินไปเนี่ยนะอ่ะเดินไปที่ต้นพระศรีมหาโพนี่ยมันเห็นประโยชน์ก่อนนะเอาละเราจะได้ศรัทธาในพระธรรมน า, ายเพิ่มขึ้นเราจะได้ความเพียรความแก้วกล้าจากการระลึกถึงพระจริยาคุณของท่าน เราจะได้สติในการเลือกถึงที่พระิจ่ายไ้ฝึกสติยังไงจะได้สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตจะได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอู้เนี่ยผม พ, พิจารณาอย่างนี้เราจะได้ศีลสมาธิปัญญาเราจรึงไปเออมันคิดอย่างนี้ก่อนไหมเนี่ยการไม่คิดรักษาไปเขาชวนไปถึงไปไปแบบประเภทเนี่ยเลื่อนๆยๆงงๆมึนๆี่เียลักษณะนี้ก็เรียกขาดปัญญาในการดาเนินชีวิต เห็นไหมว่าลักษณะนี้ประโยชน์จริงๆเนี่ยที่ควรจะได้ก็คือศีลเนี่ยได้ศีลเพิ่มขึ้นได้สมาธิได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเราก็ไปในการก้าวไปในการถอยกลับในการคู่เข้าเหยียดออกเนี่ยได้คํานึงถึงประโยชน์อย่างนี้เลยนะในการกินการดื่มกินกับดื่มไม่เหมือนกันนะกินอาหาเนี่ยดื่มน้ําดื่มน้ํำประ น, นันลิ้มลิ้มลิ้มน้ําพึ่งน้ำอ้อยลิ้มลิ้มไอศครีมแป๊บแป๊ บ, ป บ, ปบเนี่ยการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม เคี้ยวแป้งเวตตอร์หนึ่ลิมลิมพวไอศครีมเบตเตอร์อะไรเนี้ ย, ออยถามว่าเออมีปัญญานําก่อนไหมมันเห็นประโยชน์ไหมเห็นว่าเออเนี่ยอาหารประเภท น, นี้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราได้ร่างกได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยได้คุณภาพชีวิตแบบนี้แล้วจะจะง่ายต่อการไปเดินศีลเดินสมาธิเดินปัญญาโอ้จะฝึกศรัทธาวิรญญาติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้น เราจะได้ทําร่างกายที่แข็งแรงเดินฝึกฝนพัฒนาไปตามมรรคาของพระชินพเจ้าเราจะได้สิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้โอ้ผมคิดอย่างนี้ไหมเนี่ยคิดเอาประโยชน์อย่างนี้การคิดในลักษณะนี้เป็นปัญญาไหมเนีย่ยก็ดําเนินชีวิตอย่างนี้นะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและไม่การนิ่งอยู่ก็อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความรู้ด้วยความมีปัญญาเป็นตัวกํากับจริงๆนะเนี่ยดัง้นกายกรรมวจีกรรมและอาชีพ ดำเนินไปแม้จะเดินไปบินตบาตก็เห็นประโยชน์ก่อนไม่เจ็ไปเฝ้าอีกแล้วว่าต้องไปเดินบินตบาทเจ็บเท้ากับเจ็บทรมานกับทรมานลําบากชิบเพราะงั้นเนี่ยคิดอย่างนี้ว่าบอกเออโอกาสเนี่ยเราจะได้ไปบินตบาทหนึ่งได้ไปโปรดโยมและเราจะอาธรรมะไปให้โยมเขาให้ยอมเขาได้เห็นได้เห็นอะไรเนี่ยได้เห็นผ้าการสาวัสดิ์ได้เห็นการเดิน การเดินที่สายตาที่ทอดลงต่ำใช่ไหมและขมผ้าที่เป็นปริมนทนจะได้เห็นยอมก็จะได้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงปาริยสง์ยอมก็จะได้ปลาโมทจะได้ปีติปัสสติสุขและสมาธิและเราจะได้ให้ปัญญาแก่ยมเขาโอ้โหเนี่ยไปโปรสัตทําให้สัตว์ที่ไม่ได้บุญได้บุญเขาจะได้เห็นว่าปิดบุพพันธ์เหไปินตาตาตันจ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาช้าออกบินบาบ เพนั้นโอเนี่ยจะได้เห็นว่าสงสังฆาเนี่ยในหมู่อริยสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนเช้าบิณฑบาตโปรสัตว์นะ ไ, ไปโปรสัตว์ไปเทศโปรด เ, เขาไปสแสดงธรรมโปรดเขาให้เขาได้ให้ทานให้เขาได้รับศีลให้เขาได้จิตใจที่ปราโมทย์ปีติปสัสสติสุขและสมาธิจะได้เป็นฐานปฏิบัติการใหปัญญาเกิดรู้เข้าใจชีวิตโลกตามที่มันเป็นเนี่ยโอ้ตายอย่างนี้เราจะไปโปรสัต์ อาหารก็เลยเป็นผลป่อยได้เออได้อาหารมาแล้วก็มาเจริญทานกุศลอีกได้แจกจ่ายอาหารนั้นแด่ประสงค์โอ้โหได้ดูแลพระป่วยด้วยมีพระป่วยใช่ไหมมันยันจะทานมาป่วยอยีกโอ้โเราได้ดูดเลี้ยงพระพุทธเจ้าบอว่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอปรารถนาจะอุปถากเราถาคตขอให้เธอทั้งหลายจงอุปถาภิกษุไข่เถิดโอ้โหอธิสงมากเลยนะีการดูแลพระป่วยเนี่ยเท่ากับดูแลพระพุทธเจ้า ถ้ากระอุปถัมภ์พระเจ้าบุญยิ่งใหญ่เลยเกินเหม่ยคนขวาใหญ่เลยท่นนี้ท่านอาจารย์ครับเป็นอะไรไงนะไปนวดฟันไปดูแลท่านป่วยอาหารอย่างนี้ท่านฉันได้ฉันไม่ได้โอ้โหนี่เป็นกุศลใหญ่เลยใช่ไหมไม่ใช่ไปจ้องตาไปถึงนยามก็มีข้าวเหนียวปิ้งด้วยเฮ้ยมีหมูด้วยว่าไปมองอาจารย์ได้หมูคว้าไปข้าวไป มันเพื่อตัวเองนี่อย่างเงี้ยจะมาเนี่ยนึกถึงคนอื่นก่อนเราหิวแต่คนที่หิวมากกว่าเราก็มีเราทุกคนอื่นที่ทุกมากกว่าเราก็มีโอ้ฝึกเนี่ยจิตจิตมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเองนะมันแผ่แพ่กรุณาไปถึงคนอื่นแผ่เมตตาไปให้คนอื่นแผ่มุติตาความพอยินดีไปให้คนอื่นและวางใจเป็นกลางในขณะที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องขวนขวาย ในจิตของตนเองจะต้องรับผลของการทําที่ตันเองทําไปอู้เนี่ยก็ฉลาดในการเดินจิตอย่างเงี้ยนะมีปัญญานํามีปัญญานําในในทุกขั้นตอนสาคัญไหมปัญญาเนี่ยให้พระอาหารหันตตาเจ้าทั้งหลายที่ท่านเดินปัญญาจนสูงสุดแล้วอู้วความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยท่านอยู่ได้ด้วยปัญญาเนี่ยท่านอยู่ได้ปัญญาท่านรู้และเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นเป็นจริงเลยเนี่ยเนี่ี่เนี่ ย, ยลักษณะที่ปัญญา ปัญญามากำกับพฤติกรรมด้วยทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือกายกรรมก็มีปัญญานำหน้าวาจีกรรมก็ปัญญาแล้วคิดเวลาเราจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยเราให้ปัญญานำความคิดหรือให้ให้กิเลสนำอ้าวว่าไงเห็นบอมกิเลสนำหรือปัญญานำด้วยส่วนใหญ่ดูส่วนใหญ่ก็กิเลสกิเลสนำแต่ตอนนี้ก็ต้องไม่ได้ต้องบอกนั่นึงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึก กายกรรมเนี่ยให้มีปัญญานําวจีกร ร, กรรมเนี่ยก็ให้ปัญญานําและมนโนกรรมคือการคิดทั้งหลายก็จะให้ปัญญาเป็นตัวนําเพราะว่าสัพเพธรรมะปัญญุตระสัพเพธรร ม, มาใช่ไหมทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดนั้นเราจะไม่ทําอะไรแบบเผือเช่นมานั่งผือเงี้ยไม่ไม่ทำเด็ดขาดเนี่ยเอาออกเลยบอกไม่เอาทําทำไมใช่ไหมเราจะไม่อยู่เรื่องสัญชาตญาณ แต่เราจะอยู่ด้วยปัญญาทํากิจกรรมต่างๆอย่างพระพุทธเจ้านี่นะมีความงดงามมากเวลาพระองค์นั่งเนี่ยเขาจะนั่งด้วยความสงบเวลาพระองค์จะแย้มหรือจะยิ้มเนี่ยก็ต้องมีปัญญานําไม่อย่างพวกเราเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องเลยไม่มีปัญญานําเรากระดิกมือกระดิกเท้าบ้างสั่นหัวบ้างหักนิ้วหักอะไรเนี่ยไปทั่วมั่วหมดใช่ไหมเราไม่มีปัญญานําเลยเราไปตามจิต ตามโลภะโทสะโมหะอยากจะทําอะไรก็ทำทำทำทำทำทเครียดอะไรก็ออกไปแสดงไปนี่ไม่ดีนี่ก็เลยไม่มีปัญญาดำเ น, นี่ยปัญญาจึงเป็นสิ่งสําคัญในการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องฝึกนี่นะนั้นปัญญาจึงเป็นแกนและเป็นตัวคุมคุณสมบัติอื่นๆคุณสมบัติของอริยาสาวกและเป็นจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมตนของอริยาสาวกต่อๆไปสรุปก็คือว่า ศรัทธาศีลสุตตากาคาปัญญานศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นในปัญญาในคุณธรรมเชื่อในความเพียรของมนุษย์ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงความจริงความดีงามมันสูงสุดได้ตามกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลดังที่ได้ท่านผู้ที่นำทางชี้แจงไว้อย่างนี้เป็นต้นทำให้มนุษย์สร้างสังคมที่ดีงามอันดารงอยู่ได้โดยธรรมะ ทศิลก็าการรู้จักจะใช้คำคว่าบังคับควบคุมตนได้ซึ่งทำให้เป็นให้ความเป็นอยู่มีพฤติกรรมและลักษณะความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นๆเกิดความเหมาะสมพอดีที่จะเกือ้อกูลแก่ความเจริญงอกงามแห่งคุณธรรมของตนเองและความเป็นอยู่ร่วมกันได้ดีของสังคมด้วยจากคาก็การสละ ทำให้ไม่ตัดสินหรือคิดการต่างๆเข้าข้างตนเองและทำให้พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่คนอื่นส่วนปัญญาก็ความรู้หนักเท่าทันทั้งความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎธรรมดามีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยข้างมันก็ทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยมีจิตที่หลุดพ้นเป็นอิสระสามารถที่จะวินิจฉัยแยกแยะว่า อันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำใ ห, ให้เหมาะสมให้พอดีเป็นต้นเนี้ยแล้วก็การที่จะใช้หรือพัฒนาตัวต่อไปของคุณธรรมอืนอ่นๆอย่างเหมาะสมเป็นต้นส่วนสุดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มาในรูปของคำแนะนำชี้แจงคากระตุ้นชักจูนตักเตือนหรือการเล่าเรียนก็ตามก็เป็นเครื่องช่วยเสริมคุณธรรมทั้งสี่ข้อนี่แหละเสริมศรัทธาเสริมศีลเสริมจาระคโดยเฉพาะเป็นอุปกรณ์ของปัญญาได้อย่างดีนะ ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็ต้องทําความเข้าใจให้ชัด น, นี่เรื่องปัญญาที่จริงมีอยู่สูตรหนึ่งพูดถึงเรื่องของบุคคลที่พัฒนาปัญญาได้จบแล้วเนี่ยอาจจะเล่าเรื่องนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าจะจะใช้เวลาไม่มากจะพูดเรื่องภาษาริบุตรให้ฟังสักเล็กน้อย แต่ไม่น้อยเท่าไรนะอาจจะใช้เวลานิดหน่อยพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นอาคราสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเรารู้ไหมว่าระหว่างพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครปรินิพานก่อนใครรู้ไหาทำไมพระสารีบุตรต้องปรินิพานก่อนพุทธเจ้ารู้ไหมทำไมพระสารีบุตรต้องปรินิพานก่อนเป็นธรรมดา อริยะอาริยาสาวกเบื้องขวาพุทธิยามีพุทธิยามีสาวะเบื้องขวาเบื้อซ้ายยังไงอัคราสาวะเบื้องขวาเบื้องซ้า ย, าาาายพระสารีบุตรมีเป็นผู้เด่นที่สุดทางด้านปัญญาพระโมคคัลลานะก็เด่นทางด้านลึกิศความเด่นไม่เท่ากัน <c oughs> เดี๋ยวเล่าในเรื่องของพระสูตรตัวหนึ่งพระสูตรนี้ยมีชื่อว่าจุนท่าสูตร เป็นพระสูตที่ว่าด้วยการปรินิพานของภาษาลิบุตรในครั้งนั้นบุรุษเจ้าปทัทพิเชตาวันเชตาวันนี้เป็นอารามของท่านอนาถาพินิก迦เศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีตอนนั้นภาษาลิบุตรอยู่หนบ้านนารกะคามแฟนมคตอาพาธหนะักเลยเดี๋ยวเล่าใหท่านก้อัตธิค า, าดีกว่ามาคตเนี่ยเป็นชนบทเนี่ย เออได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยจำพรรษาแล้วเนี่ยก็เสด็จออกจากเวรุวันนะแล้วก็ดำบีว่าเราจะไปเมืองสาวัตถีพระเจ้าปจาริกจากฟานมคตเนี่ยจากเวรุวันเนี่ยวัดเวรุวันก็เป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดแรกในในโลกพระเจ้าปจาริจากเวรุวันที่จะไปสาวัตถีก็ไปที่เชตาวันเชตวนารามนี่เป็นวัดที่นาถพิณิกะเศรษฐีสร้างถวาย อนณาถาพินิกาเสษธีตอนสร้างถวายเนี่ยใช้เงินใช้เงินกนาปะนะปูปูเต็มพื้นที่หมดเงินไปสิบแปดโกดเฉพาะปูเนี่ยสร้างอีกสิบแปดฉลองอีกสิบแปดทั้งหมดห้าสิบสี่โกดโกดละสิบล้านเนี่ยตอนนั้นพระธรรมวดีธรรมวันาวดีพระสารีบุตรเนี่ย แสดงวัดถวายพระเทเจ้าแล้วไปพักที่กลางวันเ พ, พระาะภาษาลีบุตรมีบริวารห้าร้อยมากตอนนั้นภาษารีบุตรไปพักที่กลางวันไปเข้าสมาบัติก็ระลึกเอในอดีตที่ผ่านมาระหว่างพระเทเจ้ากับสาวกอัคาราสาวกเบื้องขวาในใครปรินิพพานก่อนเอารู้ที่เราอะะอัอออออาคาราสาวกเบื้องขวาต้องปรินิพพานก่อนใช่ไหมก็พิจารณาดูเอแล้วเราจะมีอายุอยู่กี่วันเนี่ย พิพจารณาไปอ้าวเหลือเจ็ดวันเราจะหมดอายุไขแล้วแต่พระอรหารเนี่ยท่านจะสามารถอยู่ต่อก็ได้นะท่านสามารถเจริญอิทธิบาทพลังอิทธิบาทสามารถจะให้อยู่ต่อเป็นกลับได้อายุ ก, กับนะในยุคนั้นก็คือร้อยปีเนี่ยร้อยปีหรือร้อยี่สิบปีท่านสามารถอยู่ได้บางท่านอยู่ได้ถึงร้อยหกสิปีก็ได้ท่านสามารถจะอยู่ได้โดยมากท่านยังไม่ค่อยอยู่ท่านหรือมากก็ท่านต้องการปรินิพานอยู่แล้วเพราะท่านเบื่อการ แบบขันธภาราเป็นภาราในการยืนเดินนั่งนอนในการดูแล ก, กินอาหารมันน่าเบื่องั้นเวลาท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็ไม่มีเหตุอะไรหรอกท่านก็ทํากิจในการประกาศหลักการคําสอนจนเบ็ดเสร็จช่วยคนได้พอสมควรวางรากฐานพระาศาสนาเบ็เสร็จแล้วท่านก็ปริญญพภานเน่ยนะท่านปร ะ, รรนนะประยัดจุฬาลัย ร, ริญญาแเออ้วท่านกระปูแผ่นนั้นหนังล้างเท้าแล้วก็นั่งคูบรรลังเข้าพระราสมาบัตดพอออกจากพระราสมาบัตดกําหนด ปริวิตรกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปรินิพานก่อนหรือหนอเนี่ยหรือพระ อ, อัครส า, าวกปรินิพานก่อนบออ๋อพระอัครส า, าวกปรินิพานก่อนนี่ว่ากันอก็พิจารณาดูสังขารของตัว่าอยู่ได้อเจ็ดวันเท่านั้นก็คิดว่าเราจะปรินิพานที่ไหนท่านเริ่มคิดแล้วท่านก็บอกเออท่านก็คิดออกว่าพระราหุลไปปรินิพานที่ไหนตอนนั้นพระราหุล น, นิพานแล้วไปปรินิพานที่ดาวดึง อัญญาโนัญญาท่านพายาโกนธัญญาท่านปริณิพานที่ไหนบอกปริณิพานที่สาฉัตทันเป็นต้นเนี่ยท่านก็ไล่ลำดับเฮ้ยสาวก่านก่อนที่พัดเลยแล้วเราจะไปปริณิพานที่ไหนดีก็อยากจึงเกิดความสังเวชสังเวคญาณ น, นะคําว่าสังเวคเนี่ยเกิดความสะดุ้งสะทือนนะไม่ใช่สังเวชพดหูนะสังเวคเนี่ยเป็นองค์ธรรมได้แก่อะไร ได้แก่อะไรที่อาจารย์บอกว่าบทตั ป, ปัญญาเออเกิดความสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปอากุศลมีปัญญาเกิดความสะดุ้งกลัวว่าปดาสังขารทุกสังขารเนี่ยมีการแตกดับเป็นธรรมดาเสื่อมสิ้นสลายไปธรรมดาคายไปเสื่อมไปเป็นธรรมด า, าไม่ว่าสังขารใดๆก็แล้วแต่มีความวิปัตินาเป็นธรรมดานี่ท่านก็สังเวยปลารบมารดาว่ามารดาของเราเนี่ยเป็นมารดาของพาาระอรหันต์ทั้งเจ็ดองนะ แต่ไม่ไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสไม่เชื่อมัน่นพระพุทธเจ้าพระธรรและพระสงค์เลอยอนึกตึกดเอจไม่ว่าลูกชายสามลูกสาวสามแล้วหลานอีกหนึ่งบรรลุเป็นพระทหารหมดเลยภาษาลิบุตรเนี่ยดึงน้องมาบรรลุหมดเลยเนะืดึงน้องออกบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระทหารหมดเลยแล้วหลานอีกคนนึงรวมเจ็ดคนเนี่ย้องคิดดูเถอะลูกหก หลานหนึ่งนะจุนท่าสามเณร จ, จุนท่าเนี่ยเป็นหลานนะเนี่ยเป็นหลานของพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุเป็นพระลรหันแต่ไม่สามารถช่วยย่าได้ช่วยยายได้พระสารีบุตรเป็นอัคราสาวกเบื้องเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่สามารถทําให้แม่เนี่ยศรัทธานในพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมได้สังเวชไหมพอพิจารณาอีก่ปุ๊บเอาละ ท่านพิจารณาเอ๊ะมีอุปนิสัยไหมเนาะอ๋อมีอุปนิสัยท่านมียานอย่างเห็นเนี่ยใช่ไหมว่าท่านมีปัญญาท่านดีมากท่านก็คํานวณดูว่ามีอุปนิสัยแล้วอ๋อสามารถบรรลุเป็นพระสว์ดาบันได้ก็พิจารณาต่อว่าแล้วแม่จะฟังธรรมจากใครจึงจะได้บรรลุพิจารณาไปพิจารณามาอุ้ยไม่ใช่เป็นพุทธเวไนนนี่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ไม่สามารถจะบรรลุต้องฟังธรรมมาจากตนเองเท่านั้น เอาวางแผนเลยเห็นไหมคนมีบัญญัวางแผนเลยเอาละเราจะไปตายไปไปนิพพานที่บ้านเกิดและก่อนจะตายก่อนจะปริญิพานจะต้องปลดแม่บรรลูกก่อนนี่วางแผนแล้วแล้วผู้หญิงจะนิพพานได้ไงฮะเรารู้เราผู้หญิงจะนิพพานได้ไ<ะ>เลยได้ไไดคนหมดกิเลสนิพพานได้หมดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าหากยังไม่หมดกิเลสเขาเรียกตายแต่ถ้าคนหมดกิเลสแล้วเขาเรียกปริญิพาน ครว่าปรินิพานแปลว่าการตายแล้วก็สิ้นการเวียนว่ายตายกลดกระแสชีวิตมันหยุดเกิดมันไม่ต้องไปตกระคำลาบากบากในสังสารวัตรอีกต่อไปนี่คือปรินิพานเขาให้อะไรปรินิพานก่อนให้กิเลสนิพานก่อนคำว่ากิเลสนิพานก็คือกิเลสหมดความโลภหมดความโกรธหมดความหลงหมดเนี่ยให้กิเลสนิพานก่อนกระแสชีวิตนิพานทีหลังนี่เป็นต้นก็ทราบว่าจะบรรลุ ป, ปรธรมเทศนาที่ท่านแสดงไม่ใช่ของใครอื่น ก็ถ้าเราพึงขวนขวายน้อยก็จะมีคนกล่าวกับเราว่าเออภาษาริบุตรจะเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายได้นะแต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งกับแม่ตัวเองได้จริงอย่างนั้นในวันที่ตงแสดงสมะจิตสูตรนี่นะตอนที่ภาษาริบุตรแสดงสูตรเนี้ยสมจิตสูตรเนี่ยเทวดาต้องทันโกรธบรรลุปเป็นพระลานลองคิดดูท่านเทศครั้งเดียวเนี่ย 1,000 พโกดเทวดาได้บรรลุความสามารถท่านว่าท่านมีฤทธิ์มากได้บรรลุเป็นพระานเทวดาที่แทงตลอดมรรคสามเนี่ยโสดาสกาธาทาคารนับไม่ถ้วนแล้วกับการปรากฏเห็นการตรัสรู้ในที่อื่นอีกมากมายตระกูลตั้ง 80,000 ืําใจให้เลื่อมใสในพระเถราเนี่ยไปเกิดในสวรรค์กันทั้งนั้น 80,000 ตระกูลนะลองคิดดูดิ แค่ทำสัตยท้ายเลื่อมใสในพระเทร่านเนี่ยพากันไปสุคติทั้งนั้นท่านช่วยคนให้ไปสุคติเนี่ยนับไม่ได้เลยว่างั้นแต่โอ้โหเป็นเป็นที่พึ่งให้แม่ไม่ได้เงี้ยสลดไหมท่านสลดใจทันทีเล้ โ, อ, โอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ว่างั้นบัดเนี้ยท่านไม่อาจจะเปลื่องแม้ความเห็นผิดของมารดาตัว<ม>เองได้เพราะฉะนั้นก็ตกลงใจว่าปื้แล้วเราจะเปลื้องมารดาออกจากความเห็นผิด เราจะไปถ่ายถอนมิจฉาทิฏฐิออกจากใจของแม่ได้วนั้นคิดอย่างนี้แล้วเราจะไปในนิพพานในห้องนั่นแหละเมื่อคิดแล้ววันนี้ยไปขออนุ ญ, ญาตพุทธิย้าแล้วตัยเรียกจุนทะสมณ็น จ, จุนทา่ามาจุนทาเธอจงให้สัญญาแก่ภิกษุห้าร้อยรูปของเราเนะี่ยว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงถือบาตรและจีวรไป พระธรรมเสนาบดีเนี่ยภาษาลิบุตรจะไปนารันธาจะไปที่บ้านเกิดพระเถระทาทอย่างนั้นแล้วภิกษุก็หลีกเก็บอาสนะถือบา ท, ทีวรไปในสํนานักของพระเถระพระเถระก็เก็บเทนอาสนะสมัยก่อนเขาเดินทางเนะยเวลาเขาจะไปที่ไหนนะสมมติว่าเราจะออกจากที่ตรงไหนเนีก็จะเก็บเรียบร้อยภาษาลิบุตรเป็นคนที่เรียบร้อยมากและภาษาลิบุตรเนี่ ย, ยเป็นคนที่มีปัญญามาก และเป็นคนที่เวลาจะไปบินธบาตจะออกที่หลังออกที่หลังเขาพระอื่นๆในวัดเนึ่งห้าร้อยหกร้อยออกไปหมดเสร็จท่านก็ก่อนจะนบินธบาต ท, ท่านก็เดินตรวจดูในวัดหมดใครไม่ได้เก็บไม้กวาดไม่เก็บที่วอนไม่เก็บอะไรต่างท่านไปเก็บเรียบร้อยตรงไหนไม่สะอาดกุฏิไหนไม่เรียบร้อยท่านไปทำาสะอาดหดเส็่านจะไปบินธ บ, บาต ท, ที่หลังท่านมองว่าถ้า คนอื่นเข้ามาเห็นแล้วเข้ามาตําหนิโอ้ยพระอยู่กันไม่เรียบร้อยเลยตําหนิหน่ารังเกียจเดี๋ยวดีวจิตที่เขาตาหนิผู้มีสีเดี๋ยาจะตกนรกกันท่านละเอียดขนาดนั้นเออมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีสา ม, มเณรแก้งท่านนะแก้งท่านสา ม, มเณรบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านขคมพระไม่เรียบร้อยเน้นเน้นท้วงติงไงท่านก็เดินหลีกเข้าไปในทางพวกท่านไปข่มมันขม เรียบร้อยมาท่ายแบบอย่างนี้เรียบร้อยไม่ท่านอาจารย์เนี่ยอย่างนี้นเลยนะใครสอนท่านปุ๊บท่านมองคนนั้นเป็นอาจารย์ดันดีสามเณรเออเรียบร้อยแล้วนี่ขนาดนั้นเลยนะโอ้โหอย่างพวกเราเนี่ยถ้าใครติงจะโกรธไหมเอาสมมุติวนะ่าท่านเดินเดินมานี่นะมีเนรหรือพระแกนท่านโยนไม่กว่าเอเนี่ย โินไม่กวาดไม่ทําไมทิ้งไม่กวาดไปทั่วไม่เก็บให้เรียบร้อยท่านก็คาบเดินไปเก็บเรียบร้อยนี่อย่างนั้นเลยอถ้าอย่างเราเถียงคอเป็นเอ็นไหมเถียงเลยใช่ไหนะนี่ภาษาที่บุตรเป็นแบบนี้นะนะอยากให้พวกเราเป็นแบบนี้บ้างพอไปดูอ่ะอีห้องไม่เรียบร้อยโกรธไหมใคเรเที่ยวท่องเตียขอบคุณเขารีบไปเก็บเลยนะกุดไม่เรียบร้อยรีบเก็บ นี่ไปฟาพุรธเจ้านยได้ไปกราบกราบพรธเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตข้าพระ อ, องค์เนี่ยขอพระสุคตเจ้าทรงอนุญาตนี้เป็นการปรินิาาพออ า, านของข้าพระองค์แล้วอายุสัมผัญของข้าพระองค์ปลงลงแล้วไปบอกพระรยามนนี่บอกว่าไปลาตายว่างั้นเถอะเ อ, เ อ, อ ผู้ริจ่าทั้งหลายตรัสว่าเอ๊ะถ้าผู้ริจ่าบอกเธอจงไปนิพพานก็จะกลายเป็นการสรรเสริญความตายใช่ไหมพู้ริจ่าไม่ไมตรัสอย่างนี้ถ้าบอกว่าเธออยากไินิพพานก็เป็นผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะยกโทษว่าเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของวัฏจักเพราะฉะนั้นพู้ริจ่าไม่ตรัสอย่างนั้นพู้ริจ้าตรัสว่าเธอจากนิพพานที่ไหนสาบุโวว่า เมื่อภาษาลิบุตรกล่าวฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักพรินิพพานในห้องที่ข้าพระองค์เกิดในบ้านนาลันทาปา้านมคตรพระเจ้าฆ่าพระเจ้าจึงตรัรสภาษาริบุตรเธอจงสําคัญเวลาในบัดนี้ต่อแต่นี้ไปเนี่ยการเห็นภิกษุเช่นเธอของภิกษุผู้เป็นพี่และน้องของเธอจักหาได้ยากขอเธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นพระเจ้าบอกโอ้ ภิกษุที่เป็นพี่น้องเธอเนี่ยพระตบริษัทไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาสบริสิกานี่การได้เห็นภิกษุเช่นเธอเนี่หายากมากเห็นไหมเพราะการที่ภาษาริบุตรเนี่ยคนที่จะบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นอัคราสา ว, วกเบ้นขวาได้เนี่ยต้องบาเพ็ญบา ร, รมีทั้งเนื้อสงไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาพระเถระรู้แล้วว่าพระาศาสดาหวังเฉพาะการแสดงธรรมอันเป็นการแสดงฤทธิ์ของเราก่อนท่านก็หอก พอกขึ้นไปเข้าฤทธิ์แสดงฤทธิ์นึ่เข้าฌานแล้วก็หอกหอกขึ้นชั่วลำตาลนะลงมากราบพระบาทพระริยาสบกีพระบาทแล้วก็หอกขึ้นไปสูงกว่าเดิมแล้วก็ลงมาสบกที่บาทเนีย่ยทำถวายมงคมกราบลาพระริยาเห็นไม่ถามว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนาหรือคุณธรรมที่ภาษาริบุตรที่ท่านได้นี่อันนั้นเน่ยเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ได้จากพระพุทธเจ้า เหมือนการเอาทรัพย์มาถวายแก พ, พ่อให้พ่อดูอแล้วก็ให้กลุ่มน้อ ง, อง พ, พี่ทั้งหลายได้เห็นว่านี่ไงเราได้ซัพย์จากพระบรมศ า, าศาสดาเท่านี้เราได้ศีลขนาดนี้ได้สมาธิขนาดนี้ได้ปัญญาขนาดนี้ได้ฤทธิ์ขนาดนี้ก็มาแสดงแสดงให้กับบรรดาภิกษุเหล่านั้นได้เห็นขอขึ้นไปเนี่ยถวายบังคมประ ศ, ศาสดาทําอย่างนี้เป็นต้อนอะไรเนี่ยแล้วก็แสดงปาฏิหารเป็นหลายร้อยอย่าง ทุกอย่างที่มีทั้งหมดท่านแสดงทั้งหมดเลยแสดงฤทธิ์ไปด้วยแล้วก็แสดงธรรมไปด้วยเ mm hmm. วลาแสดงฤทธิ์นี่นะท่านจะกําหนดรู้ใจด้วยน mm ีภ hmm. าษาริบบ ท, ท่านจะสามารถรู้ความคิดของผู้ถือบริษัทในขนานั้นได้เลย mm hmm. แล้วก็จะแสดงฤทธิ์ให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยแต่ละบุคคลให้เห็นแล้วเกิดตื่นตาตื่นใจเกิดโอ้โหทรัพย์ที่ภาษารีบบทีได้จากพุทธเจ้าเนี่ยมากมายขนาดนี้โอ้โหเนี่ยศีลได้ขนาดนี้สมาธิปัญญาเป็นต้นได้ขนาดนี้ ทุกคนก็ทึ่งอยู่ไหมแล้วก็ปรารถนาว่าเราจะต้องได้อริยรัพย์ของพระพุทธเจ้าจะต้องขุดเอาอาริยรัพย์ของพระพุทธเจ้ามามาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตข้าพเจ้าให้ได้เราจะต้องพ้นทุกข์อย่างพระเถระใได้เป็นต้นเหล่านี้นะพระเถระแสดงธรรมบางครั้งเนี่ยบางครั้งก็แสดงธรรมด้วยกายที่ปรากฏก็คือเห็นร่างกายท่านแสดงธรรมอยู่บางท่านก็หายไปมีแต่เสียงในขนาดนั้นเลยเนะ ทําให้กายหายไปก็ได้ทําให้เสียงมีแต่เสียงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะบางครั้งการแสดงเป็นรูปดวงจันทร์นะดวงจันทร์ที่ไม่มีใครเห็นเนีย่ยบางครั้งการแสดงเป็นรูปดวงอาทิตย์บางทีก็เป็นรูปดวงจันทร์ขึ้นมะาแล้วมีเสียงแสดงทําอยู่ดุย้ยนะียแต่เป็นดวงจันทร์ขึ้นมาอย่างนั้นะบางครั้งก็เป็นดวงอาทิตย์ผ่าน แ, แสงสว่างที่งดงามมากนี้เป็นตะ้นบางทีก็แสดงเป็นรูปภูเขาปรากฏมาก็คือมีภาพนี้ไม่ได้เห็นในขณะที่แสดงทําขนาดนั้น เนี่ยฤทธิ์ที่พระ ท, ท่านแสดงบางครั้งก็แสดงเป็นทะเลบ้างบางครั้งก็แสดงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางครั้ ง, งก็แสดงเป็นเทา้าเวสุวรรณเป็นต้นเหรอเนี้ยบางครั้งก็แสดงเป็นท้าสก่าบางครั้งก็แสดงเป็นมหาพรหมแสดงปฏิหารหลายร้อยอย่างอยูอยนนี้แล้วพระเถพรัก็กลก่กาวทำมรรค า, าชาวพระนครทั้งสิ้นประชุมเงินคือในสาวัตถีอ่ะสะดวกก็คือสามารถแสดงทําให้ประชากรเจสบล้านได้เห็นยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มาก ประชากรทั้งเจ็สิบล้านเห็นฤทธิ์ของประเถละขนาดนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่เมื่อแสดงธรรมจบปุ๊บเมื่อสิ้นการประชุมแล้วพระเถระก็หอกออกลงมายืนถวายบังคมพระพุทธพระทศพุลถวายกราบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทาริบุตรธรรมะปริยายนี้เชื่ออะไร ภา ษ, า ษ, า ษ, า ษ, าษาิบุรชื่อว่าสีห์วิ ก, กิริตะสีห์สีห์วิกิริตาก็คือว่าเหมือนการเยี่ยงย่างของราชสีคำลาเหมือนราชสีคำลาเหมือนราชสีที่มีความพลิ้วมีความว่องไวแสดงธรรมในลักษณะอย่างนั้นกระบวนธรรมนี้ชื่อว่าสีห์วิกิลิตะพระเถระเหยดมือที่มีสีดังครั่งสดจับข้อพระบาท ข้อพระบาทจับจับพระบาทของพริจาวประดุจดังลาวแต่เหมือนเหมือนกับมลายเต่าทองแล้วกาบังคูนบอกว่ากาบังคมทุนสกษิสักพราฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญฆ่าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญพระบารมีมาหนึ่งอสงไขกําไรแสนครับคําว่าหนึ่งอสงไขเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือโลกเนี่โลกใบน เ, นเนี้ยนะนึจกจักรวาลโลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไปแตกดับเนี่ยโรคในแตกดับต้องเกิดมาบ่มเป็นบา ร, รมีทุกใบทุกโลกทุกใบไม่ใช่ครั้งหนึ่งบ่มเป็นบา ร, รมีหลายร้อยครั้งแต่ละ ใ, ละ ใ, ละใบแต่ละใ บ, ละใบโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่ากับเลข1ตามด้วยเลข0ูนยตัวนี่ขนาดแล้วก็อีกแสนแล้วก็มาบ่มเป็นบา ร, รมีอีกโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกแสนใบอีกแสนใบ นี่คือกว่าจะได้เป็นภาษาลิบุนกว่าจะได้มีบัญญาท่านก็บอกว่าที่ท่านปราถนานบำเพ็ญบรารมีมาหนึ่งสงไข่กับแสนกับเนี่ยเพราถุประสงค์ก็คือต้องการจะเป็นอักษรสาวยเบงขวาของพระเจ้าและปราถนาอยากจะจับพระบาทของาามมารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากันเถอะก็เพื่อถวายบ่งคมพระบาททั้งสองนี้ของข้าพระอง บอกว่าต้องการนี่แหละที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาก็ต้องการอยากปนมพระหัตปนมือเนี่ยแล้วก็ซพพระบาททั้งคู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ปรารถนาตัวนี้แหละท่านก็บอกมนโนรสของข้าพระองค์ถึงที่สุดแล้วก็วบอกว่าความหวังความปรารถนาที่จะยึดจักข้อพระบาทของพระพุทธเจ้าได้ซพได้กราบพระบงคมบาปพระพระบาทของพระพุทธเจ้าได้ซพศีสษษันน้อมถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมปรารถนาแล้ว ความปราดของข้ามโนรถของข้าพเจ้าเต็มเปลี่ยมนะความปราดฐานข้าพเจ้าเนี่ยสูงสุดแล้วปราดฐานแบบนี้ลมได้ตังไว้ลงนะตังไม่ตังเห็นไหมเนี่ยพรอมีค่ามากการที่ได้กราบพระบาทผู้นี้เพราะพระบาทของพระพิฆากว่าจะมีกว่าจะมีพระบาทอย่างนี้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกให้เราได้บูชาได้เนี่ย ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีมาตั้งยี่สิประสงค์หลายยี่สแสนมายิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมท่านบอกมโนรถของข้าพระองค์ถึงที่สุดแล้วบัตนี้แต่นี้ไปการประชุมกันในที่เดียวกันด้วยอำนาจเทงปฏิสนธิจะไม่มีอีกแล้วสมาคมก็จะไม่ได้มีการคุ้นเคยกันก็ได้ขาดแล้วข้าพระองค์จะเข้าเมืองปฏิทินพานที่ไม่แก่ไม่ตายตเกษมเป็นสุขเย็นสนิทไม่มีภัยที่พระเจ้าทั้งหลายหลายแสนองค์เข้าไปแล้ว ถ้าว่าข้าพระองค์ไม่ทรงชอบพระไทยโทษลายๆของข้าพระองค์ที่เป็นไปทางกายทางวาจาขอพระองค์อดโทษนั้นด้วยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นการไปของข้าพระองค์แล้วกราบขอขอมาพระริยาว่วาเออเนี่ยโทษใดๆที่กระทำทางกายทางวาจาที่มีต่อพระริยาขอพระเจ้าอดโทษได้ด้วยทางใจท่านไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะกิเลสในใจท่านไม่มีท่านจะไม่ประพฤติผิดต่อพระเจ้ทาทางใจหรือ แต่ทางกายอาจจะทําอะไรไม่เหมาะสมบ้างเช่นกิริยาทางกายที่ไม่เหมาะสมกิริยาทางวาจาที่ไม่เหมาะสมทั้งหลายเลยเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาลีบุตรเราอดโทษต่อเธอก็โทษลายของเธอที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาที่ไม่ชอบใจเราเน่ยไม่มีเลยดูดิเนี่ยพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ภาษาลีบุตรทํามาทั้งหมดเนี่ยที่จะเป็นเหตุให้พุทธเจ้าไม่ชอบใจไม่มีเลยเอาพวกเราละเราบวชเข้ามาเนี่ย พฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราที่ทำมาเนี่ยถามว่าพระธรรมถูกต้องไปดำเนินไปตามพระธรรมวินัยถูกต้องไหมถ้าดำเนินไปตามพระธรรมวินัยถูกต้องนั้นชื่อชื่อว่าการกระทำทางกายทางวาจาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าชอบใจพระธรรมธวินัยชอบใจของเราต้องรวมถึงใจด้วยนะ เราทีมต้องขอเข้ามาพระรัตนตรัยอยู่เรื่อยเลยด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าดีเตียน ใ, นใดๆที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วใน พ, พระเจ้าขอพระเจ้าโปรดว่าซึ่งโทษลงเกิอนอนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระเจ้าในการต่อไปบัดนี้เธอจงสําคัญการอันควรเธอพอพระพุทธเจ้าตรัสรี้ปุ๊บภาษาทีุตรก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็ลุกแต่ลําดับที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วแผ่นดินใหญ่ ที่กําหนดน้ำเชื่อมภูเขาสินเนรูจักรวาลหิมะผาทั้งหลายเหล่าเนี้ยร้องขึ้นพร้อมกันเนี่ยเหมือนร้องขึ้นพร้อมกันแผ่นดินไหวเหมือนเสียงโคนจนนาตร้องขึ้นขนาดดูที่เนี่ยดินน้ําไปลมที่ไม่มีใจยังร้องเนยเราไม่อาจจะทรงก้อนแห่งคุณนี้ไว้ได้ได้ไหวแล้วจนถึงที่สุดน้ำน้ำน้ำร้องเป็นดินเทพมโหระทึกในอากาศก็บรรเรงขึ้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้น ให้ฝนโบกคภัทตกลงแล้วพระศ า, าสดาตำหรี่ว่าเราจับบอกเตือนธรรมะเสนาบดีตรงนี้แล้วก็ทรงลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมเสนจมุ่งหน้าต่อพระคันดีแล้วก็เป็นประทับยืนอยู่บนแผ่นแก้วท่านไปประทับยืนต่างงากพระเทระก็ทําประทักษิณเหมือนเราเป็นรูปวัดรอบต้นโพธิ์นะประดุจทั้งเป็ต้นโพธิ์เหมือนพุทธิย่าประทับยืนภาษาลิบุตรก็ไปถวายบังคมในเดิม วายในทิศตันตว่าหนือทิศใต้เหนือทาตะตกว่ายรอบระสีครงสามรอบก็ ส, บสิบสองครั้งข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยไปนี้หนึ่งกษัตขย์แสนกับข้าพระองค์หมอบลงใกล้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าอนมมัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเห็นพระองค์ ความปรารถนาของข้าพระ อ, องค์สําเร็จแล้วข้าพระ อ, องค์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นการเห็นครั้งแรกนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายการได้เห็นพระ อ, องค์ไม่ได้มีอีกแล้วดังนี้แล้วก็ประคองอัญเชลีประชุมด้วยประคองอัญเชลีแล้วก็หันหน้าผับก็หมายความว่าเดินถอยหลังเดินเดินถอยหลังจนรับสายพระธุ์เดชของพุทธเจ้าแล้วก็หันหลัง แล้วก็หลุด ก, กลุ่มบริวารหน้าร้อยตาตางตอนนั้นตอนนั้นพุทธเจ้าก็บอกกับพุทธบริษัทบอกให้ตามไปส่งประสานดีโอ้โหคนจะทำแผ่นดินตามตามตามพอ ต, ต, ต, ตามไปเสร็จเร็จแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายบอกว่าอย่าตามเรามาเถอะการอยู่ห่างพุทธเจ้าไม่ดีเลย บุคคลเหล่านั้นก็พากันร้องไห้นี่งท่ก็ให้ ก, ก, การท่านกระจายเล็กที่จะไปนาดันทางนี้เป็นต้นอาไแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ต่อวันงนี้โอเคห่วงคนแค่เวลายังไม่ถึงกับการไปปรดเลย